ต่อไปก็ดูในคำสอนในส่วนของทุกขสมุทยนะัยพูดในเรื่องของชลาทุกขพูดในเรื่องของมรณะพยาธิโสกาปริเทวะทุกขโทมนาสาและอุปายาตที่จริงในรายละเอียดเกี่ยวตรงนี้ก็ก็ก็ c lời lời về nội song chủ môn ขอเข้าอีกทีเขาก็ทำได้ช้าเลยแม่เขาถ่ายแมเขาแปลตรงนี้ก็ตัทธกตมังทุกขสมุทโยเรียสจังยายางตัญหาเป็นต้นเนี่ยนะ ในทุกขสมุทัยในทุกขสมุทัยเนี่ยตัวกรณีที่พูดถึงในเรื่องของตัณหาก็สภาพของท่านกล่าวบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวิสัชนาบอกว่าเมื่อพระองค์เนี่ยทรงมีพระมาหากราุณาธิคุณตรัสทุกอริยสัจจบลงแล้วลำดับนั้นก็ตรัส มีพระมหากรุณาธิคุณนีตัดทุกขสมุทัยอริยสัจก็มีพุทธดีกาตรัสเป็นกเทตุกรรมยตาบูชาบอกว่าตัดถะกะตะมังทุกขสมุทโยอริยสัจังบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขสมุทัยอริยสัจนั้นเป็นประการใดก็วิสัชนาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายยาอย่างตัณหาตัณหานั้นใดนะ ที่จะให้สัตว์ทั้งหลายปฏิสนธิเอากําเนิดในพบใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยตัณหานั้นก็คือความกําหนับหนักยินดีในวัตตสงสารฉะนั้นความยินดีความเพลิดเพลินในวัตตสงสารเนี่ยสัตว์ทั้งปวงเกิดขึ้นในพบใดๆแล้วเนี่ยก็กําหนัดยินดีในพบนั้นๆแล้วก็ในอารมณ์ที่เกี่ยวข้องในพบนั้นๆ ท่านใช้คำว่าไม่เว้นไม่ว่างไม่เสื่อมไม่คลายเลยฉะนั้นความยินดีในรูปารมในสัทธารมในคันธารมในพระสารมในโพธพภารมในธรรมารมเนี้ยรัดลึงตรึงตราแ น, น่นหนาอยู่ในขันธสันดานของสัตว์ที่ท่านใช้คำว่ารัชชุวิยะอุปมาเหมือนดังเชือบผูกกล้ามสัตว์ไว้ให้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏ คือในเรื่องของคำอุปมาในเรื่องของตัญหาเนี่ยท่านอุปมาไว้ค่อนข้างเยอะอุปมาเกี่ยวในเรื่องของสภาพของสัตว์ทั้งหลายที่ยินดีเพลิดเพลินในสภาพของที่ตัญหาที่มันผูกมัดหรือตัญหามันมอบทุกมาให้หรือตันหามันคอยรบกวนขัดขวางทำให้สัตว์นั้นได้รับความกวนกระวายและวุ่นวายเนี่ยท่านถึงบอกเหมือนกับเชือกน่ โขกรามสัตว์ไว้ให้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรหรือในวัดต่าสงสารก็เวียนตายเวียนเกิดเอากําเนิดในภพน้อยและภพใหญ่สเสวยทุกขเวทนาด้วยกองทุกข์ต่างๆเนะี่ยฉะนั้นกรณีแห่งกองทุกต่างๆที่สัตว์ทั้งหลายได้รับเนี่ยก็คือชาติชาราพยาธิเนี่ยนะติดตามเบียดเบียนบีทาห้ามหันจนถึงมรณะก็คอยดักคอยตัด ชีวิตให้ขาดไปท่านเลยอุปมาบอกว่าเหมือนกับนายเพชฌฆาตนั่นเละที่ถือดาบฟาดฟันดาบนั้นแสนจะคมกล้าแสนจะยากแสนจะลาบากในการที่จะทําให้สัตว์เหล่านั้นเนะี่ยทรมานหลังจากสัตว์เหล่านั้นตายแล้วจากที่นี้ก็ไปเกิดในที่ใหม่ตายจากที่โน้นแล้วไปเกิดที่ใหม่เป็นต้นเหล่าเนี้ย ก็ต้องท่องเที่ยวเวียนไหวาตายเกิดก็ถือกำเนิดในพบน้อยพบใหญ่อย่างหาที่สุดไม่ได้ท่านใช้คําว่าไม่รู้จักสิ้นสุดด้วยรัชชุ ค, คือตัณหาตัณหาก็เหมือนกับเชือกนะั้นะเป็นเชือกที่คอยล่ามสัตว์เข้าไว้ไม่ให้เคลื่อนย้ายไปจากวัตตาสงสารแล้วท่านก็มาแยกขยายพูดถึงในเรื่องของตัณหาก็พูดถึงในเรื่องว่า สภาพของตัณหาที่บอกเป็นการมตัณหาประการหนึ่งภาวะตัณหาประการหนึ่งวิภวะตัณหาประการหนึ่งที่บอกว่าการมตัณหาได้แก่โลภะเจตสิกหรือโลภะจิตนั่นแหละอันปรารถนาในเบญญกามคุณที่ปรารถนาการเกิดในมนุษย์หรือในฉากกรมจลทั้งทั้งหกชั้นเนี่ยตั้งแต่จาตุมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสตานิมาเนาราดีเนี่ยปรารณีมิสวัสวตีเนี่ย บุคคลทั้งหลายบำเพ็ญทานรักษากองการกุศลต่างๆก็ปรารถน า, า, าในการที่จะได้มนุษย์สมบัติและกสรรค์สมบัติในหกชั้นเนี่ยตรงเนี้ยตถาคตก็ตรัสเรียกบอกว่าทุกขสมุทยยไทยอริยสั์เหตุว่าพระริยเจ้าทั้งปวงท่านเห็นแท้ท่านเห็นสัจจะข้อนี้ว่าเป็นความจริงอย่างนั้นส่วนภวะตัณหาเนี่ยท่านพูดถึงในเรื่องของโรกิยอโลภะที่เป็นไปใน โลกิยะนี่แหละ ท, ที่เกิดร่วมกันกับสัสต์ตถิทิก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยบังเกิดในรูปประพบารูปประพบตรงนี้นะก็มีความแก่ชราวรณะไม่มีแต่เขบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความชรากับพยาธิต่างๆเหล่านี้ไม่ปรากฏเนี่ยก็ถือว่ามั่นคงแล้วเพราะได้เจริญฌานสมาบัติอันนี้คือภาวะ เพราะว่าตัณหาเนี่ยมีโลภะจิตที่มีความเข้าใจในลักษณะนั้นก็เปรตปรารถนาในการที่จะไปเกิดในรูปภปมพก็เลยเชื่อเพราะว่าตัณหามีเป็นทุกขสมุทัยสัจจะประการหนึ่งส่วนวิภาวะเนี่ยเป็นสภาพของโลภะที่เป็นไปกับอุเฉททิฐิอันนี้ยินดีในฌานสมาบัติเป็นต้นเหมือนกันเนีะสำคัญบอกว่าถ้าแม้ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้แล้ว ท่านหมายถึงว่าเป็นความเข้าใจของท่านว่าท่านจะดับสังขารและธรรมทั้งพวงอะจะขาดศูนย์ในที่นั้นแล้วก็จะปรินิพานของท่านแล้วก็เป็นอันว่าท่านมีความเข้าใจอย่างนั้นที่เกิดร่วมกับอุเชตทิฐิเพราะเห็นว่าท่านจะปรินิพานแน่เมื่อท่านไปอยู่ในภพนั้นภูมินั้นว่างั้นนะฉะนั้นท่านก็ไปเกิดในอากาศบ้างในวิญญาบ้างในอากินบ้างในเนวสัญญานาสัญญาญาตนาบ้างท่านก็คือว่าเป็นสุดยอดแห่งการที่ท่านจะปรินิพานแล้ว โลภะจิตในความปรารถนาความยินดีในรูปภพก็เกิดขึ้นกับท่านก็เลยจัดเป็นวิภาวะตัณหาของท่านอันนี้จัดเป็นทุกข์สมุทัยอริยสัจเขาเรียกว่าเป็นสมุทัยที่เกิดร่วมกันกับอุเชธาถ้ามองเห็นอย่างนี้ก็จะเริ่มเข้าใจหรือจริงๆเนะี่ยถ้ามองในส่วนของทิฏฐาธรรมนิพานเนี่ยนะทินิพานที่เป็นไปในปัจจุบันนัพบของกลุ่มของบุคคลที่มีทิฏฐิเนี่ยเขามีความเข้าใจว่ากามคุณเป็นนิพานเป็นปฐมฌานเป็นต้นเป็นนิพานเนะี่ย ก็ต้องรวมกลุ่มพวกวิภาวะเหล่านี้ด้วยเพราะเขาเข้าใจว่าเขาได้เข้านิพพานแล้วแล้วเขาจะดับโดยไม่มีส่วนเหลือแล้วเห็นไหมความเข้าใจเนี่ยว่าตัณหาก็ดีโมหาก็ดีว่าเป็นเป็นปัญญาสุดยอดของเขาแล้วเพราะเขาทําความเพียรจนสูงสุงสดจน ส, สามารถทํำอรูป ภ, ภพต่างๆเป็นต้นให้เกิดได้นักปราชญาผู้มีปัญญาก็สันนิฐานเข้าใจว่าตัณหาสามประการเนี่ยได้ชื่อว่าทุกขสมุทัยอริยสัจ ด้วยอธิว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดชาติทุกข์ใช่ไหมเป็นปัจจัยเกิดชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เป็นปัจจัยเกิดความโศก ค, ความร่ําไรลํ า, ลลาพันธุ์ไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็ความขับแค้นใจนี่เป็นอย่างนี้มีชาติทุกข์เป็นต้นดังที่ได้กล่าวฉะนั้นการมาตัญหาปราถนาเบญจะมากราบกรรมคุณห้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดกองทุกข์ในการมาพบพราะว่าตัญหาวิภระวตตัญหาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ได้กองทุกมีชาติที่ทุกเป็นต้นในพรหมโลกทั้งสองชั้นทั้งสองภูมินะทั้งรูปภูมิรูปภูมิเนี่ยเหตุดังนั้นแหละอัดแห่งทุกขสมุทัยท่านถึงบอกว่าตังวินานานยตรทุกขังหน้าโหติน้าจ่าตังตะโตทุกขเหตุอิติสัจังวิสติกาที่บอกว่ากองทุกทั้งปวงก็คือมีชาติทุกข์ชราทุกพญาทีทุกขมรณะทุกเป็นต้นนั้นน่จะได้เกิดมาแต่ที่อื่นก็หาไม่ได้ ไม่มีอย่างอื่นเป็นปัจจัยย่อมเกิดมาแต่ตัณหาถ้าเว้นตัณหาแล้วเนะี่ยทุกเหล่านี้ก็เกิดไม่ได้ยิ่นั้นชาติทุกขชาราทุกพยาธิทุกมราณะทุกเนี่ยนะไม่มีเลยเปน็นอันขาดแต่พอมีตัณหานั่นแหละชาติทุกชาราทุกพยาธิทุกมราณะทุกจึงมีผู้มีปัญญาก็ต้องพิจารณาปงธรรมสังเวชเถิดว่าว่าตัณหาตัวเดียวนี้ ที่เกิดร่วม ก, กันกับกรรมเนี่ยเป็นต้นเนีนะตัณหาที่เป็นใหญ่นี่ยแหละทําให้สัตว์เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรเส้นกาล้านานนับพบนับชาติไม่ได้ไม่เห็นที่จะมีที่พํานักอาศัยนะพระพุทธเจ้าตัดเรียกตัณหาว่าเป็นสมุทัยยะเพราะตัณหานั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดกองทุกข์ทั้งปวงดังที่ได้กล่าวทีนี้ พระริยเจ้าท่านเห็นเหตุนั้นจึงมีบัญญัติเรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยตรัเทศนาว่าเป็นสมุทัยอริยสัจตามที่ได้กล่าวทีนี้ทำมาพิจารณาในคำสอนที่พระเจ้าบอกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจเนี่ยนะก็คือตัวตัณหาตัวตัณหา ถ้าพิจรารณาดูแล้วก็คือว่าในคําสอนของพระเจ้าที่ท่านพูดถึงในเรื่องของอัดเห็นไหมอัดของทุ ก, อ, อ, ทกททอัดของทุกขสมุทัยอัดของทุกขานิโรธอัดของทุกขานิโรธท้าคารมีนีบริบทาเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจเบื้องต้นจริงๆเนี่ยที่ท่านใช้คําบอกว่าทุกขศาสตร์จ่าที่ใช้คําว่าปีรณโถเนี่ย เ, ย เ, ยเยบียดเบียดประการหนึ่งสังคตัดโถมีอัดว่าปัจจัยประปชุมปรุงแต่ง สันตาปโถก็คืออาจว่าเดือดร้อนเล่าร้อนวิปริณามโถก็คือว่าแปรปรวนนี่ในชั้นของหนังสือในสารถาสมุจัยเนี่ยสมุจยะเนี่ยเนยะท่านอธิบายไปหลายมุมท่านบอกว่าอาจเบื้องต้นเนี่ยปีรณโถเนี่ยเป็นลักษณะแห่งตนคือเป็นลักษณะของกองทุกข์ที่พระริยาเจ้าเนี่ยนะทุกข์ที่พระริยเจ้าท่านเห็นเนี่ยนะมีพระทเจ้าเห็นเนี่ยท่านแสดงอันนี้บอกว่า ให้เห็นใจความของกองทุกทั้งสิบสองกองท่านก็บอกว่าชาติที่ทุกเนี่ยเนะีบังเกิดแกสัตว์ผู้บาดเกิดเนี่ยกำเนิดอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยชาราทุกอันมีลักษณะธรรมะอินทรีคลั่งคล่าวิกฤวิการวิจิตรวิปริตต่างๆเนี่ยนั่นเป็นพยาทีทุกขลักษณะนัยนความป่วยไข้ ค, ความลําบากด้วยทุกขเวทนาทั้งหลายต่างๆที่เบียดเบียนกระแสขันของสัตว์นั้นนะนะนั้นประการหนึ่งม ร, รณะทุกข์ก็คือลักษณะตัดชีวิต ของสัตว์ทั้งหลายโสกกะก็คือมีลักษณะทําให้สัตว์เหล่านั้นเดือดร้อนพุกพลาดตรสารสามราสาอยู่ภายในก็ดีเนี่ยปริเทวะก็คือมีลักษณะทําให้สัตว์นั้นร้องไห้รําพันมีน้ําตาหลั่งไหลปูมปลายเนี่ยหนองหน้านี่เนี่ยทกก็คือมีลักษณะทําให้จัดจิตของสัตว์นั้นโหดหูดันท้อใจอย่างใหญ่หลวงส่วนโทมานัสก็คือมีลักษณะทําให้น้อยเนื้อต่ําใจครับแค้นใจแล้วก็เครียด อุปายาศาสก็ลักษณะทําให้สะอื้นอะไรอปิเยอปิเยหิสัมปโยคาทุกก็มีลักษณะขัดข้องหมองมัวแล้วก็ตรอมใจเหตุประกอบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปิเยหิวิปโยคาทุกก็คือมีลักษณะทําให้โศกทําให้โศกาในการเมื่อพราดภาคจากสัตว์และสังขารนันเป็นที่รักยังปิดฉังราปฏิก็คือมีลักษณะทําให้หม่นหมอง กวุ่นวายใจในขณะที่ตนเองปรารถนาสิ่งใดแล้วก็ไม่ได้สมปรารถนาในสิ่งนั้นสิสองประการเนี่ยเบียดเบีย er นถ้าไม่สัตว์นั้นลําบากด้วยเวทนาต่างๆเนีเกิดมาเป็นสัตว์ที่มีชีวิตแล้วก็เที่ยงแท้ที่จะมีความทุกข์เนี่ยมาเบียดเบีย er นอยู่ตลอดเวลาเนี้ไม่ได้ปราศจากทุกข์เลยนะจะประาศจากทุกข์หาไม่ได้เหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนบอกว่าปีรณโถเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นลักษณะของตน เห็งทุกขสัจจะโดยแท้ฉะนั้นลักษณะของชาติทุกชราทุกพญาทิทุกมาราณะทุกขโสกาบริเดวทุกขโทมนะสาวุปายาตเป็นต้นเหล่านี้นะหรือปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกเป็นต้นเนี่ยลักษณะเหล่านี้ทุกมันจะรายงานตัวนับตลอดลักษณะของเขาแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วมันก็เบียดเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเขาเรียกว่าปีนาะมันคอามาเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม แต่สัตว์โลกไม่ได้สังเกตเขาเองว่ามันเกิดตลอดเวลาไม่มีวันไหนเลยที่ทุกเหล่านี้จะไม่เบียดเบียนกระแสขันดันทั้งหลายมันเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลานั่ยแหละสัตว์ก็ต้องคอยสังเกตให้ดียอมสุวรรณเนียนมเ้ยทุกยอทุกเบียดเบียนตลอดเวลาไหมเบียดเบียนไหมตลอดเวลาเนี่ ชาติทุกเบียดเบียนนีชราทุกประเบียดเบียนพญาธิมรณะโสกาปุรีเทวะเนี่ยตรงนี้เขาเรียกใช้คําว่าปีรณโถ ท, ทีนี้สังคตัดโถเนี่ยโดยอธิว่าต้องทําความเข้าใจให้ชัดนะสังคตัดโถเนี่ยที่มันมีปัจจัยประชุมบงแต่งเนี่ยคําว่ามีปัจจัยประชุมวงแต่งเนี่ยเขาต้องอธิบายให้หิงให้ทะลุทะลวงไปจนถึงสมุทยัยสัจจ เห็นทุกขยัจจริงแล้วก็ต้องพิจารณาย้อนกลับไปหาสมุทัยให้ชัดถึงจะเป็นลักษณะของสังคตถโถก็จะไม่ต้องดาสังคตถโธนแปลว่าอะไรมีปัจจัยประชุมปุงแต่งใช่ไหมตัวทุกเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยประชุมปุงแตกไหมต้องมีกรรมปุงแต่งต้องมีจิตบุงแต่งต้องมีอาหารอุตูภปุงแตกใช่ไห ก็คือว่าตัณหาที่เป็นสหายกันก็ตัณของกับกรรมนั่นแหละในดีนั่นแหละปุ่งแต่งไหมฉะนั้นลักษณะสังกตัตโถในที่มีปัจจัยประชุมปุงแต่งเนี่ยต้องทําความเข้าใจว่ากองทุกข์ที่บังเกิดด้วยตัณหาเนี่ยเป็นปัจจัยประชุมปุงแต่งให้กองทุกข์ทั้งปวงสิ่งอื่นจะมาเป็นปัจจัยให้กับกองทุกข์ตกแต่งกองทุกข์ให้แก่สัตว์เหมือนอย่างตัณหานะ่ยไม่ได้ ฉะนั้นไอตัวตัณหาใช่ไหมตัวทุกนี่แหละอาศัยตัณหาที่บวกกับ ก, บกรรมในอดีตนั่นแหละคอยปรุงแต่งทําให้ทุกเหล่านี้มีความเกิดอยู่ตลอดเวลาด้วยอํานาจของปัจจัยทางหลางก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าทุกเนี่ยเวลาทําความเข้าใจเรื่องทุกกับสมุทยัยนิโรธแล้วมรรคมาโดย่ อ, ยอไปแล้วใช่ไหมเรามาศึกษาเรื่องทุกขดูปีรนะนาโถนี่เป็นลักษณะของทุกแ ท, แท้เลยเบียดเบีย น, ยนยแท้เลย ทุกๆ ก, กองเนี่ยนะในยองสุวรรณนะเนี่ยเป็นรัก什么样เนี้ยแต่พอมาถึงสังคตัดโถเนี่ยปัจจัยประชุมปุงแต่งตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไงปรุงแต่งรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังไงก็ต้องอธิบายให้เห็นตัวทุกหรือทําความเข้าใจทุกสัจจานี้ด้วยความจริงคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงตัวสมุทัยยสัจจ์ ไอ้ตัวที่ไปปรุงแต่งเนี่ยนะทำให้ตามหูจบุกเล่นกายใจเบนไปในสังสารวัตเนี่ยว่าเขาเกิดร่วมมีกรรมเป็นสหายแล้วเนี่ยเขาจะมีอิทธิพลขนาดไหนในการปรุงแต่งก็แปลว่าตันหานี้เป็นปัจจัยประชุมแต่งให้กองทุกข์ทั้งปวงเนี่ยสิ่งอื่นจะเป็นปัจจัยกองทุกข์ตกแต่งกองทุกข์ให้แก่สัตว์เหมือนอย่างตันหาไม่ได้เพราะพระองค์ประสงค์จะเห็นใจความตลอดถึงสมุทัยสัจจานี้แหละตึงเทศนาอัด คำว่าสังกตัดโถเป็นอัดของทุกขสัจจะเป็นครบรอบสองเขจะ ย, ยากนี่ก็เห็นตรงนี้นะประการต่อมาก็คือครบรบสามสันตาบัตโถเนี่ยต้องพิ จ, จารณาให้ถึงตลอดให้ให้ถึงมรคให้ถึงมรคสัจจะจะได้เห็นใจความประกองทุกทั้งปวงเนี่ยทําให้สัตว์เดือดร้อนละสําระสายกันอยู่เนี่ยเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายยังมัวมัวเมากป็นอยู่ยังประมาทอยู่ใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายประมัวเมามีโ ม, มหะปกปิดใช่ไหม เมื่อมีโมหะปกปิดเนี่ยทําให้สัตว์ทั้งหลายน่ะประมาทพอประมาทก็ขาดอุตสาหะขาดอรารัทาตขาดนิกรรมาธาตุขาดป ร, ปรกรรมาธาตุขาดในการที่จะปารบความเพียรไหมขาดอุตสาหะในการที่จะเพียรพยายามในการจะปฏิบัติตามมรรคสัตว์ไหมเนี่ยทุกวันเนี่ยสัตว์ไม่พยายามเลยปฏิบัติตามมรรคสัตว์เลยเพราะสัตว์ไม่ไม่เห็นสันตาปโถคือไม่เห็น นี่ตอนนี้ถ้าเราเห็นใจความของกองทุกข์ทั้งปวงอทําให้สัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนละสัมละสายอยู่ร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชราพยาธิโสกะปริเทวทุกขโทมนาสาและอุปาญาตใช่ไหมไฟเผาร้นต่างๆเหล่านี้มันจะได้เห็นว่าโอ้โหเนี่ยการมีตาหูจมกูกเล่นกายใจการมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการมีรูปรขันเวทนาขันสัญญาสังขารนิยญญาณขันเนี่ย ตอนนี้มันกำลังระส่ำระสายเพราะไฟไหม้อยู่ถ้าเห็นในลักษณะอย่างเนี้ยอุสาห่มไหมตอนเนี้ยถ้าอย่างนี้จะอุตสาห่าในการจะประกอบมรรคสัตว์ตอนนี้เราไม่ประกอบสิกขาสามเลยเพราะมันเราไม่เห็นสันตาปะโถใช่ไหมไม่เห็นว่ามันกำลังเดือดร้อนอยู่มันระส่ำร ะ, ะสายกันอยู่เอาที่เนี้ยวิ่งกันให้พลานหมดเนียเนี่ย น, นะนี่มันเดือดร้อนกันทั้งภายนภายในภายนอกเนี่ย อันนี้มันเดือดร้อนนี่มันเผาร่นขนาดนี้แล้วเนี่ยเนี่ยแต่ศาสตร์ก็ยังเฉยเฉยยังคิดว่าแก้ไขได้เดี๋ยวก็เจราจาได้เดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเยอะแยะหมดเดี๋ยวก็ต่อรองกันได้แล้วต่างมันจะได้สงบเลยก็แต่แท้จริงเดี๋ยวมันก็ไปเดือดร้อนอีกแล้วเพระาะไอภายในก็ไอ้ภายในกระแสขันเน่ยก็ชาติทุกชราพยาธิมรณนะใช่ไหมตรงนั้นก็ย้อนกลับไปด้วย สังคาตัดโถก็คือมันมีประชัยประชุมงงแต่งตลอดพอมันหมดขันนี้ไปเสร็จมันก็ประชุมใหม่อีกหมดขันนี้ก็ประชุมใหม่อีกวุงแต่งใหม่หมดขันนี้ก็ประชุมใหม่อี ก, อ ก, น, น, ก, อกนั่นจะหมดได้ยังไงถ้ากรรมมันเยอะแล้วกูนี่ทับไว้เนี่ยนะก็ปแปล ว, ว่าโรงงานผลิตเนี่ยรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกเพียบอีกเยอะคือประเภทที่ว่ารอคิวแล้ว เอาที่เนี่ยลองลองหมดลมหายใจเมื่อไรเนี่ยใช่ไหมรอคิวเป็นแถวมอบให้ <g ül> ก็ใช่นั้นก็แล้วแต่เนี่ยการเนีใช่ <g ül> เขาจะคอยปรุงแต่งตงลอดแหละนี่สังตกตะโถส่วนส่วนถ้าอยู่ก็เร่าร้อนด้วยเอาสิทุกพพเป็นอย่างนี้หมดก็เดือดร้อนละสามละสาย พอเดือดร้อนระสามระสายเบียดเสร็จก็ทําให้สัตว์เหล่านั้นนะฮะเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายมัวเ ม, มาประมาดเดินผิดทางกันเนี่ยเพราะมีโมหะปิดใช่ไหมก็คือไม่อุตสาหาปฏิบัติไอ้มรคสัจจะก็คือสมาธิฏิเออเดินส ม, มาธิฏฐิไม่เป็นด้วยเอาสิสัตว์เนี่ยเจริญส ม, มาธิฏฐิเนี่ยไม่เป็นใช่ไหมเพราะไม่รู้จักส ม, มาธิฏฐิว่าเป็นส ม, มาธิฏฐิไม่รู้มิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหม พอไม่รู้เป็เสร็จเนี่ยความรู้ก็เลยไม่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไม่รู้จักสัมมาวายมะมิจฉาวยมามะไม่รู้จักสัมมาสติมิจฉาสติไล่ไปตามแบบนี้ฉะนั้นมรรคนี่ยเขาจะไม่รู้สัมมามรรคเลยไม่ไม่รู้มิจฉามรรคคืออย่างนี้บางทีเราท่องได้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมิจฉาสังกมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดใช่ไหมสัมมาวยายมะความเพียรชอบมิจฉาวยมามะเพียรผิด สา ม, มาสติะระลึกชอบมิชาสติะระลึกผิดเงี้ยแต่โดยข้อที่จริงะระลึกผิดตลอดโ <g oda> ดยข้อที่จริงเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมโดยข้อที่จริงในชีวิตประจําวันเป็นแบบนี้แล้วเราท่องได้เบียเสร็จแต่ก็เห็นที่เราเห็นผิดอยู่ใช่ไหมมองเมื่อไหร่ก็ยอมสุวรรณเห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยหนียู่อย่างเงี้ย เอาไปนั่งฟังกันที่ไปนั่งเรียนเรียนเยนกันศึกษาพระธรรมกันโอ้โหกลับมาวันนี้ฟังแล้วเข้าใจเราเข้าใจอยู่นั่นแหละ <c oughs> ใช่ไหมก็หมายควาเราได้เข้าใจแล้วก็ห่วงเงินนะเหมือนวันนี้ทราบเสีงมากหน่้งเงิ <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างเงี้ยจะทําไง <c oughs> อย่ามาเอาปรึกษากันแล้วเดี๋ยวปรึกษายออย่ากระทบ าจะมาปรึกษาเสร็จเราต้องรีบกลับแล้วเดี๋ยวต้องเรียบแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยเสียดายทุกขาสัตร์ใช่ก็ก็เป็นอย่างเนี้สยสัตว์ทั้งหลายก็อุตสาหาปฏิบัตินะอุตสาหาปฏิบัติถ้าหากว่าปฏิบัตินะ ท้าไมอุตสาหะปฏิบัติสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วเนี่ยนที่มีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดก็หมายความว่าเดินสิกขาสามไม่ได้ในชีวิตจริงๆไม่รู้จะเดินสัมมาทิฏฐิยังไงไม่รู้จะเดินสมาวายามะยังไงแล้วก็สัมมาสติยังไง <S <S <ม>ทีนี้แม้ได้สูตรก็จําได้เลยน ะ, จะเจริญสัมมาทิฏฐิอนาศัยเวลาค่าอนาสายเนยวิเวกอาศัยเวลาฆ่าไสนีโรทานน้อมไปเบื่อละการสลัดทิ้งวะไง จะล่นสมาสังกปะอ่านอาศัยวิลาอานาศัยวิราคะอน า, า, อ น, า, านัยนิโรธานอนใบทุกการสลัดทิ้งก็ไล่ไปตามลาดับท่องกรได้แต่ในขอแท้จริงคิ ด, ดไม่เป็นเลยอ่ลองคิดให้เป็นกรรมสกาสมาทิฐิ ท, ทเอาคิดเรื่องกรรมกเนี่ยให้เป็นกรรมสกทาสมาทิฐิคิดยังไงอ่าเรกรดางคิดยูดี คิดยังไงมองปุ๊บแล้วให้เป็นกรรมสกตาสมาธิทีให้มีความเข้าใจทันทีว่ารกรรมสกทาสมาธิทีก็นั่นแหละลองมองให้เป็นกรรมสกตาสมาธิทีอันนี้นี่ไม่ใย่เบนวิปปัสนาเนอะเอามาเอาเป็นกรรมสกตาสมาธิทีให้เห็นถูกในเรื่องของกรรมในผลของกรรมเลยแล้วความรู้สึกตรงเนี้ยมนันรู้สึกเห็นปุ๊บก็เข้าใจทันทีได้ไหมว่าว่าเนี่ยว่ากําลังทํากรรมอยู่จะมาเห็นกําลังทํากรรมเลยเนี่ย ตอนนี้กายกรรมวิจีกรรมและมนโนกรรมกําลังเป็นไปอยู่กับบุญและกับบาปอยู่และในขณะเดียวกันว่าสัตว์เหล่านี้ก็กําลังรับผลของบุญและผลของบาปอยู่มีความเข้าใจอย่างนี้นะโดยย่อเข้าใจอย่างนี้ก็ไปแต่งแยกแยะ ไ, ไปไปว่ากรรมสิบสองเลยก็ว่าไปเป็นชนโลกรรมอุปถรมพวกกรรมอุปปีละกรรมหรืออุปคาถกรรมก็ว่าไปหรือว่าทิฏฐาธรรมะเวทนีกรรมอุปชาเวทนีกรรมอั ป, ป ร, ราปรเวทนีกรรมหรือโอสิกรรม ถ้าเข้าใจอย่างี้นะะอันนี้ปนแปล ว, ว่ากรรมสักดาสมาที่เถี่ยเริ่มเริ่มเริ่มจะออกลายบ้างเริ่มจะมีมาลางัลางลงัลงลังๆงบ้างเยอะไหมที่โดยข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ไ้อ้าวโดยไหมเห็นคนกำลังเดินอยู่ว่าเขาประกอบกายกรรมอย่างไรเห็นคนกำลังพูดอยู่กำลังประกอบวิจิกรรมอย่างไงเห็นน้อมว่าเขาจะต้องคิดที่เป็นทั้งมโนกรรมอย่างไรเป็นต้นเนี้ย แล้วรู้ว่าเป็นทิฏฐาธรรมเวทนากรรมนะที่เขาจะต้องได้รับในปัจจุบันนะเป็นอุปชาเวทนากรรมก็จะต้องรับในพบถัดไปนะเป็นอ ป, ปราประเวทนยกรรมที่จะรับพบที่สามเป็นต้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็บางอย่างที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลหรือหรือล่วงเลยการให้ผลไปแล้วก็เป็นโหสิกรรมยังไงนีถ้ามีความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้พอเป็นพื้นฐานบ้างเนี่ย <g ly> ก็ยังมีสัมมาทิฏฐิระดับกรรมสกทาสัมมาทิฏฐิบ้างใช่ไหม ถ้าในกรณีอย่างเงี้ยก็ยังมีความอุตสาหะในการที่จะประกอบมรรคกิจนะมรรคสัตย์พอสมควรนะเพราะยังมีความเข้าใจในชั้นของพื้นฐานได้บ้างเนี่ยนะแล้วถ้าระดับไปกว่านั้นก็คือว่ามีความเข้าใจวิปัสนาสมาธิถี่เลยนะจนสามารถวิจัยเห็นอทุคสัตย์เป็นต้นเหล่านี้ได้จนชัดเจนในศัพท์ของควาว่าปีรณโถอย่างไงว่า ในกระแสขันของสัตว์ที่ตั้งแต่การเกิดการชราการมีพญาทีมาเบียดเบียนมีวรณะคอยดักอยู่ต่างๆเหล่านีต้ตลอดถึงมีความโศความล่ําไหลําพันธ์ต่างๆเหล่านี้เนีคอยเบียดเบียนกระแสขันกระแทกกระทันกระแสขั น, ข น, ข น, ข น, ขนอยู่ตลอดเวลาเลยและในขณะเดียวกันก็คือว่าพูดถึงในเรื่องของสังคตัดโถก็ไม่ได้พิจารณาว่าไอตัวตัณหาที่เกิดร่วม ก, ก, กันกับกรรมที่มีกรรมเป็นสหายในสังสารวัต ที่ทํามาอย่างยาวนานพร้อมที่จะจะผลิตใช่ไหมผลิตวิบากก็คือจะมอบกองแห่งทุกเนี่ยให้ตลอดเวลาถามว่าอย่าตายนะถ้าตายเมื่อไรเขาก็จะมอบขันให้อีกขันหนึ่งตายแล้วก็ก็จะมอบขันให้ใช่ไหมมอบมาแล้วไม่มอบเปล่ า, า, าแล้วก็ผูกมัดแล้วก็ลึงรัดแล้วก็ยินดีแล้วก็เพลิดเพลินใช่ไหมเนี่ยขนาดเราไปได้ขันของอบียศาตร์เรายังดินดิยังยินดีอะ สัตว์นรกไม่อยากตายอ่ะคิดดูดิวิ่งหนีเนะี่ยเขาไม่อยากตายนะใช่ไหมสัตว์เดรัจฉานก็ไม่อยากตายเปรตก็ไม่อยากตายอสุรกายก็ไม่อยากตายมนุษย์ก็ไม่อยากตายเนะแต่ก็เขาอยากจะหนีทุกแต่การคิดหนีทุกของเขาก็คิดกันโดยประการอะไรต่างๆใช่ไหมตามที่สภาพของความเข้าใจของสัตว์นั้นนะ่ะมันคิดเองไง มันคิดเองเพราะมันเข้าใจทุกเองใช่ไหมเ ม, ม่เข้าใจตามคําสอนของพุทธเจ้าสัตว์เหล่านั้นก็ดิ้นกันทุรนทุลายและสัมระสายกันอยู่เนี่ยฉะนั้นอัตที่สามท่านจึงใช้คําว่าสันตาปโถฉะนั้นต้องมองให้ตลอดถึงมรรคสัต์ด้วยนะโ ย, ยสุบนนานนะต้องมองให้ถึงมรรคสัตเพราะจะได้เห็นใจความของก อ, องทุกทั้งปวงว่าทําให้สัตว์เดือดร้อนละสัมระสายอย่างไรใช่ไหม เพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายมัวเมาประมาทไม่อุตสาหปฏิบัติหรือประกอบเนี่ยนะปฏิบัติตามมรรคสัจจะที่มีสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัตว์ไม่สามารถจะประกอบเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบได้อย่างถูกต้องนยนะเพราะสัตว์ไม่รู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะีก็เลยก็เลยไม่ได้สัมมาทิฏฐิเลยแล้วก็สัมมา สังกปะเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่รู้จกักมิชฌาสังกปะก็ไม่รู้สัมมาวจาก็ไม่รู้มิจฉาวจาก็ไม่รู้เพราะความรู้ความเข้าใจเหล่านี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะต้องรู้จักสัมมามรรคแล้วก็มิชฌามรรคสัมมาทิฏฐิจะต้องรู้จักกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทใช่ไหมสัมมาทิฏฐิจะต้องเข้ารู้รู้จักทุจริตและสุจริต จะรู้จักทำดำทำสาวขาวสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์กุศลอกุศลเนี่ยสัมมาทิฏฐิต้องรู้ตรงนี้ไงนี่ไม่ใช่รู้อย่างเดียวใช่ไหมเขาสามารถเดินได้ด้วยให้สัมมาทิฏฐิเกิดได้ด้วยระมัดระวังไม่ให้มิจฉาทิฏฐิแทรกในกระแสใจกระแสขันของเขาเหล่านั้นด้วยถ้าอย่างนี้ใช่ไหมถ้าอย่างนี้เดินได้ถูกแล้วและไม่ใช่ว่าความคิดทุกความคิดเนี่ยให้สังเกต ด, ดูนะว่าทุกเวลาชาวนะ โชนะขึ้นสู่วิถีแต่ละครั้งเนี่ยถ้าไม่เรามัดระวังให้ดีแต่มิจฉาทิฏฐิก็เกิดเนะี่นั่นตรงนี้จะต้องมีการชำแหละวิธีคิดอย่างรุนแรงเลยอย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมยอย่างต่อเนื่องเลยชนิดที่จะต้องคอยพิจารณาแล้วก็คอยหาปัจจัยแวดล้อมอย่างดีเลยบางท่านไม่ค่อยแข็งแรงต้องปัจจัยภายนอกแวดล้อมให้ดีขนาดนั้นต้องอาศัยปรตโคศาช่วยแล้วต้องอาศัยโยนิโสมนสิการนั่นแหละ ว่าโยนิโสมนัสการจะเกิดด้วยประการอย่างใดก็รู้จักหาปัจจัยของโยนิโสมนัสการอย่างจํานวนมากมายเลยมาแวดล้อมเพื่อเกื้อหนุนให้โยนิโสมนัสการเกิดเพราะตัวโยนิโสมนัสการก็จะได้ปารลสัมมาทิฏฐิถ้าโยนิโสมนัสการเนี่ยปารลสัมมาทิฏฐิปารลสัมมาสังกปะปารลบสัมมาวาจาสมากรรมตาสัมมาอาชีวะสัมมาวิมะสมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิใช่ไหมเพราะตัวโยนิโสมนัสการเนี่ยเป็นเหตุ เป็นปัจจัยของของอริยามารรคหนิถ้ารู้อย่างนี้เบ็เสร็จแล้วก็ต้องต้องให้อาหารคุณธรรมหรือธรรมะเหล่านี้แล้วใช่ไม่ใช่ทีนี้มันจะต้องมีความตั้งใจมีความเพียรพยายามในการยิงที่จะทําให้เกิดเนี่ยต้องระดมความเพียรเลยแหละที่ท่านใช้คําว่าระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเนี่ยบรรลุธรรมที่ยังได้บรรลุทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเนี่ยตอนนี้โยามสวรรด์ยังไม่ถึงมรรคสักมรรคยังไม่ยัง เนีไม่รู้ผลสักผลเลยแล้วก็ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานของท่านเหล่านั้นเลยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นจิตแล้วเป็นจิตที่จะต้องระดมความเพียรแล้วตรงเนี้ยตรงนี้ถ้าหากว่ามีความเข้าใจอย่างนี้ก็จะได้รู้เลยว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายอุตสาหะระดมความเพียรเนี่ยนะเพื่อจะประกอบมรรคสัตว์มีสัมมาทิฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสัมมาทิฏเป็นปริโยสาแล้วเนี่ย กองทุกข์ทั้งปวงก็จะไม่ได้บังเกิดขึ้นได้กองทุกข์ก็จะกองทุกข์จะกระทําให้เดือดร้อนและสัมรสายนั้นก็เพราะเหตุที่ไม่ประกอบมรรคสัตย์ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่าทุกขสัจจในข้อสันตาปโธเนี่ยบอกว่าให้เห็นชัดตลอดถึงมรรคสัตย์ให้ได้ถ้า่างนั้นสันตตาปโธเนี่ยสัตว์โลกก็ไม่เข้าใจว่าสัตว์จะเร่าร้อนเพราะเหตุแห่งการไม่ประกอบมรรคสัตย์ เนี่ยเราเนี่ยเล่าร้อนกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะในสังสารวัตที่ผ่านมาที่เป็นอดีตเราไม่ประกอบมรรสั์แล้วไม่เจริญมรักเราไม่เจริญสัมมามรักแต่เราไปไปเจริญมิจฉามรักนี่ยุ่งเลยแต่เนี่ยเสียหายมากในสังสารวัตที่ผ่านมาถือว่าถือว่าผิดพลาดใช่ไหมนี่ก็ต้องเริ่มต้นเราอาจจะเริ่มต้นมาตั้งหลายภพชาติแล้วก็ได้ใช่ไหมบางท่านเนี่ยแต่ก็ถือว่า มันยังไม่จบกิจเนี่ยมันต้องเริ่มต้นต่อเพราะเรายังไม่ทําโลกุตลามารคให้เกิดขึ้นได้เนี่ยยังไม่ประกอบอริยสัจไม่ได้ประกอบมรครคสัจให้ถึงโลกุตราได้เนี่ยมันยังหยุดไม่ได้ตอนนี้ถ้าเราจะหยุดความเพียรได้ยังไม่ได้เลยไหม ย, ยังหยุดศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาไม่ได้ตอนเนี้เรายังไม่มั่นคงในความเชื่อพระพุทธเจ้าแค่ระดับแค่ศรัทธาที่เรามีปัญหามากไย เพราะเรายังไม่เคยเอาศรัทธาของเราเนี่ยไปอยู่ในโลกตุตละมัชได้สักครั้งเลยอ่ะถ้าวันใดวันหนึ่งเราสามารถขับเคลื่อนนะทําให้ศรัทธาของเราเนี่ยไปตั้งมั่นขณะเดียวเท่านั้นแหละในมัชจิตนะแล้วยมสุวรร์ไม่ต้องมาตั้งศรัทธากี่ก็ได้ตอนนี้เขาเรียกเป็นอัจฉระศรัทธาแล้วตอนนี้ยมสุวรร์เล่งขึ้นในนีด้เดียวอ่ะได้มหากุศ้ไปได้นิดเดียวนะครับตกมหมีกแลไม่ต้องเล่งใหม่ก็ตกมาอยู่เนี้ยอย่ไม่ขึ้น เรืนน่น้ำมันไม่พอใช่ไหมน้ำมันไม่พอเร่งไม่ขึ้นรถคันนี้เร่งไม่ไหวต้องต้องต้องมาแก้ต้องมาปรับปรุงใช่ไหมต้องมาปรับปรุงให้ข้อมูลใหม่ต้องให้ข้อมูลมถ้าทวันใดวันหนึ่งนะทําศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญานะีให้ไปประชุมในอริยามรรคได้เออในในในโลกุตละมรรคได้โอ้โหแต่เนี้ยแข็งแรงหมดเลยแต่นี้แข็งแรงหมดเลย ไม่ต้องเชื่อผู้ใดอีกแล้วจริงๆศรัทธาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเล่ง เ, งเรื่องอวริยะเลยเพราะเวริยะนี่ได้เหตุปัจจัยอย่างรุนแรงนะคือคือว่าพ้นทุกข์แน่นอน่ใช่ไหมถึงถึงท่านไม่เพียนอีกเลยตั้งแต่บัดนั้นนะอาท่านอาจจะประมาทัวเมาก็ไม่เกินเจ็ดอย่างเงี้ยโอ้โหลองคิดดูเถอะใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าความเพียรได้ไปแตะโลกุตระสักครั้งแล้ว ใช่ไหมสติเนี่ยได้ไปขึ้นเด็กครั้งหนึ่งสมาธิและปัญญาเป็นต้นเนี่ยใช่ไหมตอนนี้แหม๋จะเป็นอินทรีย์ก็ยังไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่เลยใช่ไหมถ้าอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่ใช่ไหมมันอาจจะเคยบ้างบางครั้งเนี่ยศรัทธาเป็นใหญ่วิรยิยสติสมาธิปัญญาเนี่ยแต่ไม่สูงสุดสทีนั่นตรงนี้ก็คือหน้าที่ของยมสุวรรคก็คือว่าผักดันศรัทธาให้ถึงโลกุตระใช่ไหม พอไปถึงตรงนั้นเบ็ดเสร็จแต่นี้ก็บอกว่าโอ้โหมั่นคงแล้วเป็นอิจฉาศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวของคุณในคุณของพระพุทธพระธรมรมปณิยสง์และยรสุวรรจะเป็นหนึ่งในรัตนตรยัยเป็นหนึ่งด้วยใช่ไหมเนี่ยพัฒนาจะเป็นหนึ่งในรัตนตรยัยโอ้โหน่าชื่นใจนะถ้าเป็นได้เยอะไหมตอนนี้ยังยังผักดันได้มีไม่ทาวรได้แค่โลกิยะเอง ถ้าวันใดวันหนึ่งจะเป็นโลกุตละสารนาคมอะไรเนี่ยโอ้โหใช่ไหมหมดห่วงเลยใช่ไหมกลับมาเนี่ยเขาคุยกันเรื่องโอ้โหเป็นทุกเลิเกินทุกเลิเกินเรานั่งยิ้มเลยใช่ไหมโ อ, โอ้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละบอกเขาานั่นเนี่ยคนต้องเร่งให้ถึงที่อะไรเงี้ยนะพูดไปก็ยิ้มไปได้เลยใช่ไหมตอนนี้ยิ้มแห้งๆนะตอนนี้ใช่ไหมเพราะมันยังไม่ถึงแต่กะโกนี้เขาถึงแล้วเนี่ยเขาปลอดภัยแล้ว อันที่สี่เขาเรียกวิปรินามะโถเนี่ยคําว่าวิปรินามะนี่แปลว่าอะไรอันของทุกันเนี้ยเปลี่ยนใช่ไหมทุกข์ขัด์นีเปลี่ยนแปลงไหมเป็นอ น, นิจจังไหมทุกข์ไงเป็นอ น, นิจจังนะเป็นทุกขงังเลยเป็นอนัตตาด้วยนะเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นโรคซ้นนอนด้วยนะนั่นแหละทุกสิบสี่สิบสองทุกอ่ะนั่นแหละลักษณะของทุกเป็นงั้นแหละ ต้องอธิบายตลอดให้แทงตลอดถึงนิโรธสัจจะจะได้เห็นชัดบอก ว, กว่ากองทุกทั้งปวงเนี่ยชาติทุกก็ดีชร า, าทุกก็ดีพญาทิทุกมรณะทุกก็ดีทั้งสิบสองนี่นะทุกทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้สัตว์ทั้งหลายวิปริตต่างต่างเพราะเหตุที่ยังไม่ได้บรรลุหรือสำเร็จพระนิพพาน ตราบใดยังไม่ได้บรรลุนิโรธาสัจจะคือพระนิพพานท่านผู้มีวาสนาบารมีแก่กา้สำเร็จเรียมรักเรียผลนะกระทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้พระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วในการใดนะกองทุกข์ก็จะสิ้นสูญเป็นสุขที่เที่ยงแท้ไม่แปรปวนวิปริต ผ, ผิดพันธ์นะถ้าหากว่าได้นี่นะถ้าได้พระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วในการใดนะเนี่ยกองทุกข์ต่างๆเหล่านี้ก็จะสูญสิ้นไปเพราะกองทุกข์ต่างๆนะ ทุกข์เพราะการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้มันยังไม่หมดแต่ถ้าได้สัมผัสพระนิพพานไปอารมณ์ปุ๊บนี่นะกองทุกข์อย่างมองโหลาเลยเนะี่ยมันดับหายไปเลยมันน่าเชื่อใจตรงนั้นแหละเพราะว่าทําให้วิปริตผิดผันธอยู่ในในอานาจของกองทุกข์นั้นนะ่ะเป็นเพราะเหตุที่ไม่ได้กระทําให้แจ้งซึ่งมิโรธัสัจจะพระพุทธองค์ประสงค์จะให้เห็นชัดตลอดถึงนิโรธัสัจจะจึงทรงสแสดงอัตของทุกข์นะี้โดยความว่า วิปรินาโหมอเนี่ยเป็นอัดของทุกข์ในประการที่สสรุปแล้วก็คืออัดแรกปีรนาโโธอันนี้เป็นตัวทุกขโดยแท้เลยส2บสองไล่ไปตามลาดับประการที่สองสังคตโโธใช่ไหมสังคตโโธนั้นก็คือทำความเข้าใจทุกให้ทะลุ ถ, ถึงสมุทยัยสัจจะประการที่สามสันตาบัโโธ ให้เข้าใจทุกเนี่ยว่าสัตว์ทั้งหลายที่มันเดือดร้อนและสัมรสายกันอยู่เนี่ยเพราะสัตว์นั้นไปประกอบมรรคสัตย์ยังไงต้องพรโองค์ไม่มีพระประสงค์จะให้แทงตลอดถึงมรรคษัตริย์ส่วนวิปริณามโถเนี่ยต้องอธิบายตลอดถึงนิโรธาสจจะได้เห็นชัดบอว่ากองทุกข์ทั้งปวงคือชาติททุกข์เป็นต้นเนี่ย